มหานามาสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะหนึ่งพัเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงกบิลพัทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะผู้ประทับนั่งณนะที่สมควรว่ามหาบอพิษอริยาสาวกผู้ประกอบได้ทำสีประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ํา